Thank okay. you. โดยสุนทราโดยอาสารปาราไม่ข้าพระองค์เปิดหัวออกจากใต้ทำไมล่ะทั้งบริยมกับ เกลียวพวกเอ็เกลียวหน่อยแล้วเสนี่หายวลายเอ็นจเหนือยข้ามไปตก่างจากราวากียวเียวได้เป็นคูนเป็นกะตาเขาดไปก้าขึ้นมาตรงนี้กระซขึ้นแตจากตรงนี้ไมสบายน่อย่อจะมียอมตัดาเป็นผ้งมีเกเิมนส ไปไหวจะดิ้นไปข้าววิรัติเป็นวัตถุเดือกเป็นบุญองคานองแค่ใช่ไหมนิสัยการไปรับการร่ายอย่างชาพักที่อยากเป็นต่อขาต้องเข้าต้องเข้าแต่ได้ละหลายอ่ากใช่ไหมขาดแ้วยหนนี้แล้วก็มีอะไรที่ิดดีมากจ้างมา่อยด่มปหยนเพเ็วัตถุือก่ ขาแค่เพบนเป็นาระอรหั้องขาใจเข้มข la. ้นาใจยังได้ได้าดได้หวโดยถ้ากรลาภูาเป็นเจ้าผู้ดีเข้อไปาดไปหวโดยถ้ากลาภูธาเกดชีวิตน่าหน้าเกิดว่าโตเป็นผู้ดีผเ้เกิดแต่เข้าขาดเขาไหวว่าเด็กีหน้าที่เกิดตของจบถึงม่ร้ไม่จับแต่ท่านให้ที่อยากเป็นนิเพื่อนนิพักสุเมือจะขาดแต่นี้ย จะตัดเป็เก yeah, so so ้าเข้าทงน้เป็นสาไปแล้วยันต้มลงใส่เนีคืดต่ากิดะดิบขั้นด right. ีได้เลยเดี้ยปรวัติ่งพุทธศตวรบนทีข้างบอไผ่นี่ปรวัเก่าของพระที่ใหา่นี่พระที่ใหญ่ก็เปรตคือคนอ่าพระทีาใหญ่ ตั้งลาต่างตแบบมายักมาผลมีช่างเป็นยางแบบไม่เท้ากันกินไปดันเพ่นผลเมาหยัดตัวใส่ตุ๊ดักทำหน้ากลินไปทีเขาสูผู้เขาลูกเนี่ยเป็นหนาสันนิ่ผัดุ๋ยแต่ไมนจะเข้าโองจะเกายสุขไม่กลินไปถึงทเลา ถ้าเหมือนกันยากแก่ายถ้าสวดเท่ามีนักสถานที่นี่แล้วถนาเรามักฝนเราถ้าเพาใจนัสถานที่นี่หาไปเพราะไปยิดถือบบก็ได้ไม่ยอมกดถอบรวมถงถ้าเหมือนกันยากแจกจ่ายเนื่อเป็นยางแหล่เนื้อมีไข่โอ่งมีที่ล้มยูแดดนั่นนหมอก็พัดไข่โองใส่ก็ พระองได้ถ้ากันข่้มพระองค์ขั้มเตือยู่ตใจจไปาดลงจบลงตกลงไปแหละเพราน้โพษเปนอาหารด้วยจิตไปจิตไปขั้นแต่โบนี่จิตจิตไปได้ข้าวของหลังขับบุญนี้ด้านจะหน้าบัสบุญนี้บุญนี้เดือดจะไปหาอยากให้จิตไปได้จังเป็นจังใจจะเล่นสมาธิมอย่าง แรเอายดูไปบ่อหน้าง้วนแต่นี่ขอดดีใจเดียกันจัดเด็ดเป็นอาหงยืดดิบไม่เดือดเนะไปบินธมดามาเรียงมือมูที่แข็งไปย่างโคหรงอนแขังแขแข็เจฟ้องตัฮะคตาจังเดื็เงหยิ่งดัก้อนต่างใจมันคงแน่นอนดังคนิดซิปผู้คนใจอาละนอาหแต่ได้ใส ทีนี่นน่ตนอาหา ร, นร อ, อ, รอานาหน่นองนันบ่ได้่ยระไไม่ยากอบ่อได้เ่ยบอ่อาหารบอบดดนาเรียกจ้ันไรจะได้ ต, ดดดตายไปดเดี๋ยวันนเกิดเป็นข้าม่ากเนี่ยะครับมันเข้าเ่เาลงความบ่มีเสาท่าแก่เข้ามา ข่าวผ้าไหวว่าเป็นผ้าละหัต้องไปเลือยื่นเหนื่อยื่นถัวแล้วเย่นม่ตองจุดและจิตใจทองเป็นผาหันยางใดเพื่องขอมือยดพงแต่มองข้องใจอยู่ปรดาน่งขางนวดหาเรื่ขอข้าวกข้าวหวาเาะถ้ลาดม้าอยู่เรืองก็เป็นเป็นฐาข้าติไปยมาโลกเกิดเมตตาจงสารยานเป็นบาเป็นตำนักหนัเลยหน้านี้จะมี บอกดาวก็าทาาอย่างราเอ้ข้ามยางบอดีบ้อง่า้งแต่ไมหนังเราแค่เด็กเป็นสดเข้ามาจัดน้ำปันเยอะขนาดนี้เราลุกได้เยนุถ้าพระพุทธเจ้าเกิด็จกลับในโลกบุคคลศีมาข้ามบาดามลาหมอยางไปศึกษาน้ำพุ่มดูจากนพระพุทธเจ้ากพราะเขียนหูหงือถเป็นครอมาเกี่ยนแต่ได้เราลุกได้ กระดะใจไไนี่แต่ฮะภู ม, ม, ม, มิทวเจ้าภะมิทวเจ้าแสดงข้ามเหนือฟังข้า พ, พเจ้าถึงอานาจอากชนะเทต่างมากแม้มาท่านใดมาผลนม้จะไ ม, ะม่น่ะเพราะว่ามิคูเล่แนะนําแต่ทน้นข้างๆอำนาจบาลานี่ตีต่างไหวในคิดได้ใจนี่ยืมกพอควบคูทีเจ้าเก็บสอนแหน่หน่ำแต่เล่ยู่ข้ามเห็นข้ามเห็นเป็นเหมนเป็นพาละไ ข้าเศษผีเป็นโยมเนียไมักในดวงเี๋ยเป็นพาลังขันแล้วก็ิสาสำับสำราญสีบ้าไหวพาลังขันเยวเลขารว่าโบได้น้อย่างนังนดดน้ น, น, นเจเจวันก็เป็นผ้าใส่ก็ดกศษองขลาว่าเป็นเศษผีดำซ้าจะต้องพ่วงเดี๋ยวรองรับพาลังขันได้หาบวชเป็นเิดสันทัดชีพเป็นชีพสามมาเน้นนี่อายุ เยนยองคงอยู่ตามอยุไขข้างวกระสายไปง่ายถ้าท่าทยะเหนื่ยกุศลใจไร้คุณเหตุปัญหาเกิดเป็นอรหันต์อรหันต์ได้ยังเออแต่วางแล้วเอาตะกียงลงไปคุณลงเลยแล้ตเกียงไป แกอำนาจศาสนาประเ่ศเดิมขันหุ้มชิ้นทั้นยางไดมากนี่แต่แกอบรมภาวานาเยาะยักษ์ถิ่นเท่านั้นพบแต่ยสมัยพุทธกาลอาหาสัมฤทธิอรหันต์ผู้ศรีสุตตังสมอบรมขึ้นล่างก้นอนดีนี่ขัานป็นจนุนว่าถึงขั้นผ่อนผ่อนสบายไดิขมขั้นเรียใส่ของปลอยต่างๆพะสัมฤทีิอรหันต์แล้ว เค่นี้จะเป็นขัานสี่ยางไหลบกหือแต่เครื่องถยิ่งเป็นมังหวะแต่เครื่องเราบริหารถ้าแกะร่อยมากใช้าครื่องใช้เก่าเดยบวชอาเองยนะการบวชกับบริบวชเนี่ยลำบากที่สมัยนีเครื่องแกะในน่องขาล่งแค่คนผมเท่านั้นจะบอกว่าใหจะเป็นพีซูมาเกิดเขาน่ย ต่เป็นสำเร็จการบวชในสมัยศึกเจ่าอยู่พามเสร็จเร็จี่ยเากบวชเจที่ไับต่งเป็นไงเรา่็บวชเองบวชยุณธรรมบัชชาวาทีย์สดงพื่อเป็นทีุ่ขมาเกนี่ไม้ถึงบวชผู้ศี่ยําเร็จอรหัตอรหัตข่าบวชคนที่ยังบอกใหาเ็กอรหัตอรหัตบวชไปอีกอย่าง เขาจะปวดเอวหบอกว่าเด็กผู้ชายวัดห้าแล้วนี่ยบอกพอไปอีกวาท่านสีน้ำตาลแล้วแหวนสอนดีแบบซึ่งเป็นสุดสุดส่าสุดสุดบอกไปเที่ยวแช่นั่นเป็นผ่ามากเท่านั้นแต่สำเร็จเป็นผัาเจ้าพระสงฆ์สมบูรณ์แล้วพร้าแห่งยา ต้องเด็ดอรหันต์เจอํานาจหลายจนะเพราะเธอเดือดถ้ำยิงทุนท่านมาเจอเต่าแค่บดรูกหล่ะผ่านนีแค่ไันยัใไ้บวดใจเพนเ้ิลบอกให้ออกไปไปแย้งนะาหน้าบวชจะฟ้องอีกถ้าพังยาดันตกลงไปด่านสำคัญสีต่างๆและสีงี่เงี่ยวต้นสายตล้ดจะ็นเป็นทุกท่นยังพนิบวชเป็นพระสีง่ยวต้นตายในวะยาจปตใจขา แต่ว่าของพระพันทิานยาเป็นเป็นมาอยางไลยแตไมนั่นถูกเพื่องการบวชโดยส่วนใหญ่ผู้ที่เป็นไข่ในประชาสงสารผู้ที่ติดอารเบือ น, นายสารทองบานรทองเนี่ยออกไปบวชเ่แาะนบวชเกิดการบังคับบงังคาการควบการคุ้มเ่วยแต่ไม่ี้ต่ไมไป่ปัจช่บันนี้ พ่อแม่อยากให้บวชลูกบวบวชแต่บวได้พาสินพ่อแม่บวได้สนตีดอยู่ในโอวัลของพ่อของแม่กลัไปบวชเด็กคว่ำเสียคว่้าคอยตั้งทั้งของพ่อของแม่แกบวบวชส่นติแก่ยิแก่ใจช่วยแต่ไม่นั้นมีใบยังนั่นเขาแก่หน้าหาอยากหายชิลนลบากขเป็วลาไปบ่าไปบวชสึ่งศาสนายาหนึ่งก็วนี้นอกกลางชวน กุลาข้าวฮัทขาฮทีฮัทจั๊กฮัทฟบีจั๊กขาไปบวดและวเิดก้อนผ้าเพราะบเหยื่อก้นไม้บดเนื่องจากนกีการบวดสมัยนี้นี่หมากไม้ตายก่อนพวกที่สมัยนั้นเกนันท้าเจ้าประสงค์การากจะทุจิบัตรจะนี่ยิงนี่ย้อนมี่สูงมี่ต่ำ ข, นนข้ามไปต่างคำตอใจต่างผันบางเลยมีก้นหยดใสนี้ตัดข้าพอใจนะ การจะพูปฏิบัติถ้ามีหน้นาจะพูดดีจะพูดชอบสามถ้ามีน้เป็นหนาปากนาว่ามีข้านาเลียนส่บางขูบ่บางพ้นล้วข้าไปเสียกา ล, าลาลั่นทางๆหน้าหน้าคิกันก็นะจะไหมเอาไปใเจ่าย่างโยเพาะเจ่าย่งโยเมืองพมาหวดบวดพมาเหรอต้อแเนี่ยอนบอกสมาานให้บอกลดถ้มให้บริกรรม บอกสะทานสี่อให้ไปทําความเทียนพวกเรานั่นตัางพันตั้งโอ่นจะบอกน่อนซ้อนง่ายเพราะมิใจจัดท้าเป็นจีนเท่มากแกเต้าก่อนเมื่อบวดแล้วสร้างหาต่างตาประเทศปฏิบัติรคำนี้ได้วิสใจจะเล่นได้รับความสว่างถะไว้ได้ได้รับความสุขทางคิดทางใจหละที่เหลือกันหามานาทิตกออไป เป็นผ้เนาเลียเจ้าได้แม่มตไมนั่นแต่บ่วร้ายผ่านร้ายออ่งเพระาะภาษาภาาต่างจินตไม่แะถ้าตุพนค้นแล้วเมืองย่งบทันหูจับการรักษาสินสินทานาการท่าบุญท่าสุสบบุนแ ก, ก่บุคคลประเทศใดและถือเป็นบุญเป็นสุสนมามารถตายฟองหายบ่มีผู้ใดเขาวเข้าใจอัอนอไรกยากลำบากแสนลำบากที่สองพระเจ้าพสงฆ์หากบ่มี ข่ำใจจำจิใจเขาทานเลยคู่ใดเนี่ยพอบมีคูอหย่อนไสก็อจอใจมีอยู่ในปวกนักวบกวชโบกคนมีสื่เพศบ้านคือบวกเข้าเป็นบวชแต่ไหนนั่นมือ ด, ดีดีหาทียูีดีอาศัยบกคอยนี่อาศัยเยอน้ำข่ำน้ำพุ่งใหม่แต่นี่น้ำหอมใหม่แต่นี่แต่การจำภาษ า, า, ายังไมาได้บัญญัติใครอยากไป ถ้าพาใส่วนไดมันพัดของเช่นนี้ใส่ไดมันยื้อสะดวกสบายเช่นจะยู้ไปแต่เนี้ยสอนประกาศศาสนาไปตามเดียวกันในหูเ ด, ดี๋ยเห็นในจิตในใจมามกนี่จะไหมพุทธกาสเป็นอย่างนั้นเดีวการก็อนั่นสัางยังว่าท่านก็ศาสนาแทะออกไปหลายแต่ถ้าคนคนละเมืองเดียบใส่เงินดีในการ ิูการผูกขนเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนบางขุนผู้ได้ใจสรับรักฟังบางขู่บางขุนได้มากเหนผลบางขู่บางขุงไไนแต่ถึงข้าสนาคมานับข่มเหยืโยนใช้ข้ อ, อย่อยจะู่กผู้ดีวิห า, ห า, ารข้าเจ้าพระสงฆ์จะบวดมากบวชหลายศิบาดหมาเจียวไปในท้านี่ต่างๆน่ะานหนาฝนก็บวมีสีักสีอาศัยมีการไปเรื่อยๆเหยียบขั้นหาขั้นหน้า วกว่าไของเขาถา้าขาดถ่าใช้แต่จีนพระเจ้าพันโสงเขาได้ไปลองพระพุองค์จงจดจำพันษาในหนาผมสามเดือยอยู่เป็นจีวเป็นฐานบวกวดจอนไปในระยะหนึ่งเขาทำให้ข้าหน้ายางห น, นึ่งพันีการไปจดจำพันษามากตลอดพวกท่องีิตจะเห็นกันทุกวันนี้แต่ก่อนยังว่ามันีก า, ารจำพันษาให้เจ้าจพสงต่างท่านต่างองค์ไปอยู่ตามอัธยาศัยของสดบันไดมัน สะดวกสบายไปยิ่ไปอต่อออคิดตที่รัดให้คิดให้ใจสเดวกส่วนอาหารการพบขันเนี่ยร่้ดีซะสีพัดองขาดแค่นยู่พอชงควนผานุ่งผาปกนาปราปะหายน่ยแก่นงน่ะทำไมเนะี่ยส่วนทึงว่าขาห่วงซีเหนียวแปดเนี่ยคืนไปไปเทเพื่อไห่ดีกรับว่า เพื่อใร้ายแค้นร้ายอันสิมาในนิสตอการสะตอกันเอาเละมาตัดเป็นที่วัดถ่ายสมัยนั้นหายหนาขนาดหน้าบันมั้นสะดวกสบายชื่อพระสมัยเป็นชื่อบุกวัี้สมัยนี้มันถ่ายเป็นใหม่เป็นศืลปมาแล้วถ่าที่สะตอยางอันบนนี้คือได้เอามาถ่าเอาแต่ถ่ายดีๆงานถ้าบอกว่สมัยเขาเขาใส่ใส่ได้ยังไงนี่ต่อมา ลายจะพระเจ้าพระสงฆ์มากมายายกองศรีพระองค์ในประกาศาสนาสวนทิ้งทังสายพระทงสายพิพุนซื่อทั้งอุบาสกอุบาสิกาค้นกระเกิดกกระฆ่าเยียงใส่ข้อใจใส่คนภาคบีอาศัยถวาย้องฝันหนิดบรรจงมีมากมายตายกองละกัลละเกาะเหยียใส่กระฆาในขะในเจ้าเจ้าพระสงฆ์ผู้ศรีบวชบ๊มีการ คำหนึ่งคำนวนสีสั่งบอยู่บนเข้ามาีการคิตคนเรื่องอืน่นนี่จะสิตสีทำลายจิตเหตุสรรหาของตนให้หมดไสผู้ที่ยังไม่ใหนมดไสผู้ที่มดไปแล้วจะอยู่แบบสะดวกสบายมีนยัยยะ่หาละท่ำของฉันไม่ได้เกี่ยวของในการก่อล่างสังแษตก่อแม่นี่การก่อสังค์จิพเขาพทดให้รากะบันยัดิตไมหาเหต่ายเ็ตโสศลหัวา ทางๆวันอยู่วันเท้าควรจะกำหนดไว้คุณใหญ่ใหญ่ควนประมานไปปับอาบัตยจนเป็นขลุกาบัตเพื่ออาบัตหนนะ่เป็นตั้งค่าที่สุดนี่อยู่ในตำราทางเกาหลใต้่ า, างไว้โมหัใหญ่ใหญ่เตค <c oughs> ู้ตีต่างโดยตนเอ ง, งนี่ชายกเป็นเจ้าของควรเบาะควรปล่อยสองข้างวนนี้ ห้เป็นฟ้องท่ายยกข่ายิีกาผู้ป่าชนะบุญสุดก็ล่างต่างเอาพราไม่หาพระเจ้าพระสงฆ์จะแสวงหาพระเจ้าพระสงฆ์นี่จะเป็นเนื้อหน้าบุญคือบำเพ็ญคิดบำเพ็ญใจของตนเห็นยื่เยื่อหายเป็นศีรษะศีวายฟ้องก้าโลกเขามาเห็นแต่เขแต่เห็นเย็นหูเย็นตาของเขาจะตีเห็นพระเจ้าพระสงฆ์ทำการทางานผุกคุนบุญไายชื่อพระเาว่า ข้า ะ, ะองค์ของสีเหีนเผ็ดขนยางน่ะขา์จะห่ามกันไว้ให้เป็นจะอยู่จะอาศัยยด้องสิบสูตรามมาเน่นในสมัยนั่นหรือในสมัยสีนี่ถ้าทำนีไไนเกิดขึ้นมากนี่จะไปสีทางขอนพือบนได้ัปันมุนที่ส้ ม, สสมให้ความแคบโดยการอยู่ในสถานที่ใดใหน้ห น, นี่เสนนาปนนาวัดคือมีวัด ประจําที่สุดให้ปัสให้ปวดให้ดูห้แน่วันไหนมันบวชง่ามหูง่ามตาเป็นวกเป็นหมดมันสิไปจะหายไรจะหายต้ันไปสินของสงัดของสงดูแน่รักษาบวมหายเทียมกัะชากุฏีมากรส์เงันเชินว่าปฏิสังขารโยงไอศิลาน่าบวมเนสีมาสั่งผู้ดีมาสั่งซาล่ามาสัางจีอยูเตียใสห้รู้ละแทงโลกของเขาก็จะให้ยสัง ยึดต่างใจให้เป็นไปเกิอกว่ารื้อนจากทีเด็กนั่นเป็นทุท้าประโยนเป็นคํามตองการของพระพุทธเจ้าต้องการอย่างนั้นพวกนักโดนักตั ว, วทุกขปริบี้จักรสมัยนั้นจะได้ย์ฆ่ากันท้าตามบูวัดของพระพุทธเจ้าโดยมากทุบวัวเขามากน้อยนักนาตีทุกฮาราเพรศออกไปน้อยนักหนาตีไร่มากไล่ฝน ด้ยมากามากอย่างใดมากอยางเด่นคนแบดทุกขั้นตอนพอตั้งใจก็คือปฏิบัติดีตามถ้าตามนี้ได้ตามอวัดก็ไม่ต้องใช้เจ้าถ้าตกสมัยเข้าเดี๋ยวนี้สมัยเสนอะจันเหมือนยังมีชีวิตอยู่จนจะเป็นหัวเรียวหัวแหลกเป็นพอเป็นแม่เป็นคู่เป็นอาจารย์สี่สามขั้ น, นาาสี่สมานพวกเข้าสี่คู่หัวสุดใหญ่โต น่ะออกมาได้พาะอาจารย์หมันอาจารย์เสาเพินมพาดาเนินมากเพ่มกิดเคล่เราเกิดี่ตัดข้ามต้นทุนหนกลำบากต้องอกั น, นทนข้ า, ามข้ามาดามเที่ยนทุกด้านต้องเพิ่มไหวในตระวั้องเพิ่มมีตัวของเพิ่เองเื่อยเรากองทุนหนักลาบากเดียนกันนุงการพรมการอยู่การใส่้องเพิ่มนี่ไปงานเหลือเ่าทัางนั้นว่ลเลยสิ้นถเงี้ยนรถไฟไปสถานที่ใดต่บาเพ็ญ แต ม, าา ม, ม, าามนาท่างแตมนาท่้งในสถานที่ใดไปเลยควบคุย่า ง, งความล่ำบะเจรางนูค้องผมแต่แฉนโอดแแ้นอหา่แ้นล่ำบะว่าแต่เช้ามูขนาะเดียวนี้มันลื่ตัวมันเกิดเหตุเกิดผลมันบรเห็นุูกเพราะมันอันไดนก็เที่ยงข้อเ ย, อยือบขอมจุกอยางการปฏิบัติท่างใจยังบกอยเป็ยนไปเสนเสียงอย่าเงียบจับทำปุ๋บัคนเอง จะได้เหล่าซึ่งว่าเป็นไปได้จะจัมัจาทรัพย์ในแดนเสาทังเมาสเตอร์ทางเชียงใหม่ทุกหญ้าลำบากหลาย่าแต่นี่าไม่ใส่นี่ขาสามศูนที่อขาทั้งข้าที่ว่อนตะบ่งเท่านั้นเด็กกูค่นแฝง้าค่นบนอยู่เขาก็โอดอยากอยาจดจักจีของเขาเอาอันใดมาข่านให้เข้าขาเข้ากับาขั้นขาค้องขาเป็นอาบัต ขันโบสูนไว้บต่าไว้ขาดเชื่องจะล้มจอมก่อยเท่านั้นขาข้อขาเป็นขาดขาข้อพระผู้รักษาขันโบขันย้นาเข่าตอพระต้อต่าต้องสูนไว้เรานังก็ไเ้แสดงอาบัตินี่เป็นทางชาวเยน่ายต้องเขาผู้ใจเจ้าส่บัญญัติไว้แล้วพนเข้ารบ ในพาวีนา่าแต่สิไปเตะหางหาข่าทางไหมาจามันกับบวมีเข็มก็บมีอยู่ได้นิดกับบวมมียอุทุกขนาดนั่นได้เาปฏิบัติผลที่พุทไปจับตอกในไรซุ่มข่าข้องบนขนาดนั่นนะเข้าปฏิบัติมากก่ามันโลกกระบายยากพวกขั้นแล้วเคยเห็นมายังนั่นนี่เป็นย่งทีเรยยิ่งจากฝากข้ามก็ขันกันหมืนเดิมเราตูข่า้าพระสงฆ์ตู ปฏิบัติให้สัางนอกจากนั้นไม่ยู่น้องถือย่องถือปฏิบัติห้าที่สำคัญของคนเพื่อการปะกันสาปทางข า, า, า, า, าบางโสภายังเพิ่งสาแต่สาม0ิีิบอ่อนผ่าอ่านหน้ากันจนบ่มีขืนเกา่ามีแต่เนจนเจ้าสาของคนเสนเที ย, ย, ย, ยอยัางเหตยยางนั้นเิ้นเก่าโบรานพู้ดีอดอยากอยากจนอันใดถึงสมัย ระยะนั้นเป็นสมัยต้องข้ามโลกขาแพท้งยากลาบากแต่มีภูชัด้ามาจากโคราบแากมาจากป้อนแบบมาจากอูดอนเยืจันอุบลมาถวายขาดแพท้นี่พ่อเดใกไ้ด็อยพอเดแฉะมูคณะพราเจ้าว่าสงฆ์เมตตาไปยิหน้าในมูคณาพระเจ้าว่าสงมากสรราสังฆาขาดนเห็นเปริบาดรวมศพ้นองบอกแ้ว่ะ ไปสุดบางสุขนองคเลือกะบอกอาจารย์ว่านสไปที่ว่านขาดชื่อกันนตาแลบแต่ตงเนขาดขาดจริงจริงแง่จังกังว่านกังเลเนแดดแง่เงียบๆเจ้ความมึงโมนเพื่อนเห็ดยัางเพ่อนตาผ่าเนี่ยตาตัดอยู่เพื่อนตาเดือดเมื่อเพื่อนเองเนีนี่จะมากกับเป็นคนจิตผีมาน่ะเขาเคยลงผาตาตาตาม่แกโตเจ้าก่อนมาเห็นเพื่นเหยียดย่างนั่นตู้มื่นใส่ผ่าขาดขา ตามไพาเถียใจเพราะเ้าวันพบาันดินทิสติเช่นกับ่าใดเข้าที่นี่ทิสมาณายางใดแต่รคมทิสติมาณ์รงใดนี่เป็นคติเองาใจสีสวัสิของใดอันหนึง่งถึงใดจากเปนเพราะมีทิสตมาณ์การหารยางเก่านี่เพิ่นปฏิบัติามากเพิ่นปฏิบัติมากยางนี่ความร้อยาวยาวจนทนถุกคนก็ท า, านมากช่าง น, านั้นโมน ทุกคนห้ามทุกกนเพิ่มอย่างเท่าควรเอาใจใส่จริงๆการต่อสู้ปฏิบัติของคนคิดใจของคนจังก้าวหนาคิดใจของคนจังละอย่างที่เด็ดกังหาได้จังเป็นหมาปูชาหย่อนไสแต่สวนฆราวาสอยากโยบูีะแวงบุตรแต่เป็นธรรมดาก่จะไปบำรุงรักษาบัางไรเช่นวักเหนือหน้าบุญดีเช่นรักนี่ขอวัดปฏิบัติเสวยงว่ามเช็นสี่ นาดใช้เป็นสี่งนบุ้นลายแต่พักดันดันโดนหาเียยึมมมดไดส่ลํำบาขนาดไส่กต่ดันดนเข้าไปแต่ไมนั้นวมยรดเข้าไปแอกน้องผู้นี้ไปเขียนจากกนย้างกันเข้าไปแก่ไม่ลหน้ายึดเข้าไปบ่ได้อย่งนี้คือตัดข้าเข้าไปในมาตรการการไต่ไหวอ่างคืผู้แสดงหาข้อดีเป็นสิ่งล่ำบาญใหญ่นขนาดใส่เ้าไปพราวามพอใจ ไปเดาเยือนใไปเดาพอใจไปเรายิ er ่ด no ีเป็นลาข้างเหน่ยเท่าเป็นเรื่องพระพุทธเจ้าสอนไหวือแันไนด่างการแสดงฮะคุ้นง่ำความดีแสดงฮะบุญหาผู้็นท้องยากของโยกตลอดพระเจ้าพระสงค์คู่จิตแสดงฮะคู่อาจารย์ดีเด่นเป็นถ้ำถึงุกถึงหยาถงลาบากคนหายเพื่นดาเพื่น ท่าอาการคิดไ้ยากครับลายยาไงไหลแต่ควบเดี่อวใช้ข้อใจควมนิ่มดีในคนนี้วเวดเอาทานเกาข้อ้อากเก็บท้องดีหัวย่อมหนียอมไปง่ายเพราะควมหายควบเพลนชื่อว่าเป็นการเนื้อารสงสารควบเพลินปกติคนขักกันท่าหาคิดได้สองนีการใายการดูการตากันคนที่บอกห้ากกันคอยันิด มันมันติดทุ่งติดหยากรลำบากย่างไร้สะล่อยมันไปมันคิดแตเป็นเรื่องของมันว่ามีการเมตตาสงสารแนะสอนตัดคนทีห้ากันต้องห่างตองได้ตอง่าตองกาวกันเพื่อกัดจมุกของเทวดาในขอบครั่วเป็นลูกในหอกของเทวาท่านคิดยิ่งหน่อยเท้ากว่าหได้ใหญ่มันบวชยิบบดีว่านี่หนานีตาหนี้ชาิความเื่อตลาดมันเลี้ยวเพื่อเขาเป็นลูกผู้อื่นเขาติดคิดไปอย่างไร้ ข้าปพอยได้ว่างได้มีผู้บาอาจารย์เพิ่นหายเพิ่นดาเพิ่นวาเพิ่นาวยางนั่นผุดทีระลึกหนึ่งได้ยางนี่โว้ดใส่ข้นใส่วันนี้นั่นคขาดจีดีเส้นขาดจนดีเพรเป็นดอกผักข้นเอาจะเลยได้ความหลู่ความสลัจากผู้บาอาจารย์มีคระผุดแสวงฮะผู้บาอาจารย์หากไปย่ากเพิ่นหายเพิ่นดาอยากช่ยกันหาของเที่ฐีมากนะของโตมันตกมันเสีย ว่ได้ยึดไดดีเพื่อที่ให้ปัดญาจาาเพ่อเป็นเหลี่ยมของคนคนเหลี่ยมของเ้าถืควัญต่อทีปฏิบัติตามอวัดรของคนอย่างได็ดปฏิบัติไปมีายภายในายพระเจ้าไฟหงเพื่องไฟพระราชญาติยมูดดันตนผลใจให้บุญให้กุศลพระผู้ใต้จ่าสอนไว้แล้วบาดีเียยา่านั่งยาสบังยาถ่ายที่นั่งนะครับพะั่งให้เลือกพลั ะติท่อไปตามสัญญาอารมณ์ยิถ่อมไปตามนิเวศปัญหาความมักงายใหยในใจการหา้าวุญหาสุศมให้สนใจให้พิจารณาไข่ควดแน่นอนจริงจังใน้กินใน่ใจก่อนจะคอยท่อลงไปขึ้นบ้านให้เหลือกขึ้นบ่อเดลวบ้ า, านให้ชุ่มชี่ชุมขึ้แต่เฮ้าสมัยปัจจุบันทุกวนันนี้นักป่าอาจารย์ แดงวามถิงมาว่าให้ผ่านเลือกนาเลือกตามัาเป็นบุญจน์ุูส่นวนมันถึงร่าด่านว่าจะมันเสมอผ่นนานเลือกนาเลือกตา